2.4 อย่าคบคนพาลให้คบบัณฑิตวงเล็บเปิด13พฤษภาคม2550ในวงเล็บสองวงเล็บปิดพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าเราจะรู้จักคนได้ต้องคบกันนานๆจึงจะรู้จักเนื้อแท้เขาพอรู้จักแล้วเราก็ปฏิบัติต่อแต่ละคนด้วยความเมตตาเสมอกันนะคือไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปรักคนดีไปเกลียดคนชั่วไม่ใช่แต่เราไม่ใช่ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเดียวกันอย่างพระพุทธเจ้าสอนบอกว่า เครื่องหมายคำพูดเปิดอเสวนาจะพารานังจุดจุดไม่ครบคนพานปันทิตานันจะเสวนาจุดจุดครบบันดิตปิดเครื่องหมายคำพูดพอเริ่มเรื่องไม่ครบคนพานครบบันดิตนะก็มีคนเถียงได้อีกแล้วว่าไม่มีคนต่างหากละ่ะพูดไปโน่นซะอีกนะอะไรเป็นลักษณะคนที่เราควรครบคนไหนเราไม่ควรครบก็ต้องรู้นะถ้าคนไหนเราไปคบด้วยแล้วอกุศรที่ไม่มีก็มีขึ้นมา อกุศลที่มีแล้วงอกงามพอกพูนขึ้นอย่างนี้ไม่เอาออกห่างๆไว้คนไหนเราครบด้วยแล้วกุศลที่ไม่เคยเกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็เกิดบ่อยขึ้นเราก็คบคนชนิดนี้นะจิตใจเราจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่เราจะต้องคบทุกคนเสมอภาคกันก็ต้องเลือกคบคนไม่ดีเราก็เดือดร้อนนี่ธรรมะมีหลายระดับนะตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นสูงที่ไม่มีผู้มีคนอะไรเบื้องต้นเป็นธรรมะพื้นพื้น ที่จะอยู่กับโลกก็ต้องมีคนก่อนแต่ทําไมในมงคลสูตรหรือมงคลสาสิบแประการนี่เริ่มต้นจากไม่คบคนพานถ้าคบคนพานก็คือหายนะธรรมะที่ดีงามทั้งหลายไม่งอกงามขึ้นมามิแต่เสื่อมไปกิเลสที่ไม่เคยเกิดเกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นกิเลสที่เกิดแล้วเกิดรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นฉะนั้นท่านถึงเน้นหนักหนาว่าอย่าคบคนพานนะให้คบบัณฑิตคบคนนี้แล้วพากันภาวนานะดีภาวนากัน ไปด้วยการเป็นเพื่อนภาวนากันไปอย่างนี้หรือบางคนชอบชวนเราคุยฟุ้งซ่านคุยเรื่องโลกโลกอะไรอย่างนี้คุยกับคนนี้นะสติแตกกลับมาทุกทีเลยก็อย่าไปคุยกับเขาสิเราไปคุยกับใครแล้วสติเกิดเราก็ไปคุยกับคนนั้นนี่ต้องเลือกนะต้องรู้จักฉลาดในการดำรงชีวิตเพราะว่าเราจะต้องภาวนาพัฒนาตัวเองไปให้กุศลงอกงามขึ้นงอกงามขึ้นให้อกุศลลดลงลดลงไปต้องภาคเพียนเอา ฉะนั้นเบื้องต้นท่านถึงบอกว่าละบาปทั้งปวงทํากุศลให้ถึงพร้อมมันคนละขั้นกับทําจิตผ่องแผ้วกุศลมันถึงพร้อมอกุศลไม่เกิดนะจิตมันผ่องแผ้วบางทีครูบาอาจารย์บอกว่าละบุญละบาปนี่ไม่ได้ให้ไปทําชั่วนะละบุญละบาปหมายถึงไม่ติดทั้งบุญไม่ติดทั้งบาปแต่ว่าทําอะไรทําบุญไม่ทําบาปค่อยๆละบาปไปค่อยๆละอกุศลไปจิตใจค่อยๆพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้น แต่เดิมกิเลสเราเยอะมันเยอะทุกคนแหละนะเรามีกิเลสอยู่เราก็คอยดูของเราไว้เราจะเห็นเลยกิเลสมุนเวียนเปลี่ยนหน้าเข้ามาทํางานทั้งวันทั้งคืนพอเรารู้ทันมันก็ครอบงําจิตไม่ได้อํานาจของกิเลสมันก็ค่อยๆ อ, อ่อนกําลังลงเรียกว่าอนุสัยมันลดลงฉะนั้นเราหัดเจริญสติเนี่ยอนุสัยจะค่อยๆ อ, อ่อนลงไม่ใช่ตัวกิเลสดับไปนะเราไม่ได้ภาวนาให้กิเลสดับกิเลสอยู่ในกองทุกกองขัน หน้าที่ของเราคือรู้มันทันทีที่เกิดสติไม่มีกิเลสจะให้ละเพราะฉะนั้นงานของเราไม่ใช่งานละกิเลสนะกิเลสเกิดขึ้นพอสติเกิดปับ๊บหน้าที่เราก็คือไปรู้มันกิเลสจะดับวับไปเลยสิ่งที่ค่อยๆถูกละไปทีละน้อยทีละน้อยคืออนุสัยหรือสันดานที่ไม่ดีจะค่อยๆถูกละไปทีละน้อยทีละน้อยแต่ถ้าตอบสนองกิเลสเรื่อยๆนะสันดานที่ไม่ดีก็จะเพิ่มขึ้น ภาษาบาลีเรียกว่าอนุสัยภาษาไทยเรียกง่ายๆนะว่าสันดานสันดานก็มีสันดานดีสันดานเลวสันดานฝ่ายดีเขาเรียกว่าบารมีสันดานฝ่ายชั่วก็คือพวกอนุใสยกิเลส ท, ทั้งหลายที่สะสมไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าเราทําความดีเนี่ยต่อไปเราจะคุ้นเคยที่จะทําความดีจะทําความดีง่ายนะคนไหนคุ้นเคยที่จะทําแต่ความชั่วทําชั่วง่ายอย่างแต่เดิมหัดโกหกทีแรกมีใครไม่เคยโกหกไหย ใครจะโกหกหลวงพ่อว่าไม่เคยโกหกมีไหมยังโกหกทีแรกนะใจสั่นเลยหน้าแดงความดันเพิ่มจนเขามีเครื่องวัดเครื่องจับเท็จแต่ถ้าโกหกเป็นอาจินจนชนํชนานี้จำนาญหน้าไม่แดงใจไม่สัน่นไม่ยิ้มแย้มเพราะว่าเคยชินที่จะทําชั่วยิ่งทําชั่วง่ายเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธนี่นะท่านจะประณีตมากเลยในการจําแนกแจกแจงอย่างเราชอบคิดนะว่าทําชั่วง่ายทําดียากพระพุทธเจ้ามไม่ได้สอนอย่างนี้ ท่านสอนอย่างจำแนกเลยว่าคนชั่วทำชั่วง่ายต่งหากคนดีทำชั่วยากคนชั่วก็ทำดียากมันอยู่ที่ความเคยชินดังนั้นเราต้องลดละและสำรวจตัวเองอย่างซื่อๆตรงๆโกหกตอแหลคนอื่นได้นะแต่ลอกตัวเองไม่ได้หรอกอกุศลสะสมทุกวันทุกวันอย่างไรต้องให้ผลกุศลสะสมทุกวันทุกวันอย่างไรก็ต้องให้ผลนะ